เรื่องบอกกล่าวเล่าสิบอาการของหลวงตาคณะแพทย์ก็คงจะเรียนให้คณะสัายาธิโยมทั้งหลายได้ทราบแต่หลวงพ่อก็อเรียนนิดหน่อยอาการของหลวงตาดีขึ้นนะอีกคิดว่าวันสองวันนี้คิดว่าหลวงตาน่าจะฉันอาหารอ่อนๆได้แล้วก็อาการปกติที่คุณหมอตรวจเมื่อวานนี้ที่ นั่งดูกับคุณหมอที่ตรวจอบอกว่าอาการทุกอย่างของหลุงตาดีขึ้นทั้งหัวใจทั้งระบบต่างๆความดันดีขึ้นทุกอย่างแต่อีกสักไม่นานก็คงจะได้ถอดสายยางแต่เรื่องเรื่องท้องดังลำไส้ของลุงตานั้นก็ยังยังหาสมุดทีิฐานของโรคยังไม่ได้ เดี๋ยวนี้ก็ยังค้นอยู่ว่าที่มีน้ําอยู่ในท้องนะเพราะอะไรคุณหมอก็ยังค้นหายอยู่แต่คิดว่าเรื่องหมอขอบอกประกาศให้คณะสัทยาญาติโยมลูกหลานทุกคนเรื่องหมอนั้นรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือจากหมอไม่ขาดตบกบกพร่องในการดูแลผลนิบัติหรือ ว, ว่าดูแลองค์หลวงตาในครั้งนี้ หมอทุกหน่วยทั้งศิริราชทั้งสีงส่นักเรนทั้งโรงพยาบาลศูนมีความพร้อมเพียงสามัคคี่กันระชมกันวันละสองครั้งแปดนาฬิกาครั้งหนึ่งและก็สิบหนาฬิกาครั้งหนึ่งในการวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บขององค์หลวงตาพวกเราเพราะนั้นเรื่องสุขภาพเรื่องรักษาสุขภาพลุงตาเนี่ย เ, เป็นที่พอใจสําหรับหมอแต่ก็ง ยังวิตกกังวลอยู่ว่ายังค้นหาเหตุแห่งโรคคือลำไส้โพรงตาในะที่มีน้ำนเพราะอะไรยั ง, ย ง, ยงค้นไม่เจอตุดจุดนีเ้เรื่องส่ว น, นอื่นนั้นก็อาการดีขึ้นทุกอย่างอีกอสักวันสอวันก็คงนะจะได้ถอดสายยางแนะล้วก็องตาคงจะตรงมาฉันอาหารกับพวกเราท่านทั้งหลายได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ พูดที่เคยชีย้แจงนะมาพูดในช่วงนี้ก็จะดีฉันจะหันเสร็จนะเพราะพวกพี่น้องลูกหลานพูดคอยอยู่ทางบ้านก็คงจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าอาการของหลวงตาของเราเป็นยังไงแต่ในสายตาของหลวงพ่อหนะลวงพ่อว่า ด, ดีขึ้นที่ได้มาได้เขามากราบท่านเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ออกมาทางหน้าวัด ตามปกติของท่านแต่เพียงแต่ว่ามีสายยางแต่ว่าได้ถามคณะแพทย์หรือ ว, ว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ปนนิบัติใกล้ชิดท่านท่านก็บอกว่ายังหาสมุติฐานของโรคยังไม่ได้ที่มีน้ำอยู่ในกระเพาะนั่นแนะแต่หมอก็อยากจะเอาองค์หลวงตาไปอะไรเอ็กซเรย์ ray, คอมพิวเตอร์และณะยอย่นางนังไไปประมาณสัก ยีนาทีไปอุดรทําประมาณ5นาทีแต่แต่ลงตาแตว่ า, าเอาละพอลงตาไม่เอาลงตาไม่ยอมอไม่ยอมไปอันนี้ก็คือทุกอย่างนะขอประกาศให้คณะทัตไทยญาติโยมลูกศิษย์ทุกท่านนะที่ได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ว่าพวกที่อยู่ใกล้ศิษย์พวกที่อยู่ใกล้อง์ลงตาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระไม่ว่าจะเป็นฝ่ายญาติโยมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหมอที่อยู่ใกล้ชิดหลวงตาต้องฟังหลวงตาจะไม่ทําอะไรโดยพระการต้องกราบขออนุญาตท่านก่อนที่จะทําอะไรลงไปขอแล้วขออีกท่า น, นั้นเออแต่อันนี้ท่านก็บอกไม่ไม่มีใครที่จะกล้าฝืนท่านได้เล ย, เลยเ อ, อเพราะนั้นพวกเราสบายใจนะ ผู้ที่อยู่ข้างนอกโอ้ทําไมทําให้ลงตายจงโน่นทําให้ลงตายอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกพวกที่อยู่ใกล้นะทำโดยพระราชานะขออนุญาตแล้วขออีกถ้าพูดมาอยู่ใกล้จะรู้นะผู้อยู่ไกลก็อย่างว่าเนี่ยพูดจะโน่นพูดอย่างนี้ก็อยู่ในห่างไกลไม่เห็นแต่พออยู่ใกล้แล้วน่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายพระสงฆ์และเป็นหน้าที่ของ หมอหรือเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดองค์หลวงตาองตายังสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นผู้ตัดสินใจเองทุกอย่างได้ขณะนี้เพะฉะนั้นเวลาจะขออนุญาตอะไรจากองค์หลวงตายอย่างนิมนต์องค์หลวงตาไปเอ็กซเรคอมพิวเตอร์เดินทางไป20นาทีพอไปทำ5้านาทีก็จบแล้วลงตาแล้วก็กลับมา ลุงตาท่านก็นิ่งเฉยขออีกครั้งที่สองครั้งที่สามท่านก็ไม่ไปเพี่ยงคาเดียวไม่ไปพวกเราทำอะไรได้ก็ต้องแตกไปคนอาทิต์ละทางกันเอาใหม่เอาใหม่แต่ทำไมจึงทำทำไมจึงอยากจะทำจุดนี้ทางคณะแพทย์คณะหมอบอกว่าไม่มีทางอื่นที่จะรู้สมมติฐานของโรคได้เพราะวันที่น้ำ อยู่ในกระเพาะนี่ไม่รู้ว่าลำไส้หรือเปล่าอุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีเช่นเลือดไปเลี้ยงกระเพาะไม่พอหรือเปล่าเนี่คือมันหลายๆสาเหตุถ้าว่าได้เอ็กซเรย์จุดนี้แล้วหมอก็คงจะหูแจ้งตาสว่างขึ้นเพราะว่าเครื่องมือช่วยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เดากันเพราะนั้นจึงอยากจะขอการปรัธนาองค์หลวงตาไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ลุงตาเมื่อลุงตาบอกว่ า, าไม่ไปแต่นี้ก็สายยางองลุงตาที่สอดใส่อยู่นั้นก็มาหลายวันแล้วแต่อีกสักวันหนึ่งไม่วันนี้กับวันนี่แหละคณะแพทย์ก็ได้ปรึกษากันอยู่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก่อนชั้นยังหันนะ่ยบอกว่าหมอประชุมกันวันละสองครั้งเนี่ยแปดนาฬิกานี่แหละแปดนาฬิกาเนี่ยประชุมกั น, น ทั้งหมอชิดีลาดทั้งหมออุดรทั้งหมอศรีนครินและก็ลูกศิษย์ที่หมอกเกษียณแล้วที่เดมนมาร์กมาประชุมหารือกันในการดูแลโรคภัยไข้เจ็บของค์หลวงตาแล้วก็กลางวันก็16บหนาฬิกาก็ประชุมกันอีกครั้งหนึง่งวิเคราะห์กันว่าวันนี้หลวงตาเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอาจจะมาภาพเองเห็น ปกกล่งของแพทย์ของหมอแล้วก็สบายใจหรือภูมิใจแต่ทวนที่จะรักษาโรคอง์องตาจะให้หายอย่างไรนั้นอันนันก็งสุดจุดความสามารถของพวกเราคณะสิทธิ์ทั้งหลายที่จะช่วยกันดูแลอง์องตาให้ดีที่สุดนะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังอย่างที่อาตมาภาค ไ, ได้เรียนให้ทราบว่า ยังไม่รู้สมุติฐานแต่ถ้าว่าออกไตยาถอดทตยางออกมาแล้วถ้าฉันอาหารเหลวเข้าไปหรือฉันน้ําเข้าไปแล้วก็จะมีอาการอย่างเก่าขึ้นมาอีกไหมอันนี้ก็คื อ, อยังวิตกกังวลกันอยู่แต่ถ้าว่าฉันอาหารเข้าไปแล้วฉันน้ําเข้าไปแล้วมันซึมซับกระเพาะขององค์ลูกตาเราซึมซับได้ดีแปลว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จบกันเขาไม่มีอะไรแปลว่าหาย แต่นี่ยังวิตกอยู่เมอเวลาถอดใจยางออกไปแล้วเนี่ยฉันอะไรเข้าไปเนี่ยอาหารจะเป็นอย่างเก่าอีกไหมไ้เนี่ยแหละหมอเขาก็ยังหายังค้นหาต้นตอของโรคภัยไข้เจ็บจุดนี้อยู่มาน่ะเพราะนั้นขอให้คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนรับทราบตามที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่กรหลุงพ่อเองอยากจะพบกับหมอเหมือนกั น, นมีไหม พออมโรงพยาบาลศูนย์มาแล้วเปล่าเนี่ยว่าก็มาก็จะได้ชี้แจงในรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบใครๆก็วิตกกังวลเป็นห่วงองค์ลุงตาทุกคนนี่แหละที่เป็นลูกศิษย์ยานุศิษย์ถึงจะไม่ได้มาใกล้ก็อยากจะฟังอยากจะฟังว่าแต่ละวันนี่เป็นยังไงอาการองลุงตาของเรานะแต่เมื่อวานนี่ก็ที่หลวงพ่อ อาตม า, าพาไเข้าไปเรารู้สึกว่าสดสดใส น, นะหน้าตาของท่านผูดได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีอะไรอีกสักวันหรือสองวันนีก็คงจะลงมาฉันลงมาที่สาลาฉันอาหารตอนเช้าได้ลงพ่อว่านะ